เรื่องพินัยกรรมของภิกษุณีสง์สมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งกําลังจะมรณภาพสั่งอย่างนี้ว่าเมื่อดิฉันล่วงลับไป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 เมื่อเราล่วงลับไปบริขารของเราจงเป็นของสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขาร น, นั้นบริขาร น, นั้นตกเป็นของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายถ้าสามเณรกําลังจะมรณภาพละภิกษุทั้งหลายถ้าอุบาสกกําลังจะตายละ ภิกษุทั้งหลายถ้าอุบาสิกากำลังจะตายและภิกษุทั้งหลายถ้าผู้อื่นนอกเหนือจากนี้กำลังจะตายสั่งอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปบริขารของเราจงเป็นของสงภิกษุณีสงไม่เป็นใหญ่ในบริขาร น, นั้น บริขารตกเป็นของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว